ข้อดีที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการดูจิตก็คือการดูจิตเป็นวิปัสสนาชนิดเดียวที่ทําได้ทั้งสามโลกคือในกางระภูมิที่เป็นสุคติรูปภูมิส่วนมากและอรูปภูมิแม้แต่ในแนวสัญญานาสัญ ญ, ญาณยตนะภูมิอันเป็นภวัคคภูมิหรือสุดยอดภูมิของอรูปภูมิ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 ผู้ใดปรับจิตให้มีคุณภาพแล้วก็ย่อมสามารถ 1. เห็นอารมณ์ปรมาทโดยความเป็นปรมาทและ2เห็นสมมุติโดยความเป็นสมมติส่วนท่านที่อินทรีย์ีแก่กล้าแล้วก็จะก้าวกระโดดไปเรียนรู้เรื่องปรมาททีเดียวลองสังเกตเถิดครับว่าทาที่พระองค์แสดง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 เพราะเห็นว่าเราต้องซื่อตรงต่อการศึกษาแม้ผมจะเชื่อโดยส่วนตัวเรื่องวิปัสนาต้องรู้อารมณ์ปรามัตดก็ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งสอนไว้แต่ผมพบว่าถ้าดําเนินจิตให้ถูกต้องจะเห็นปรามัตดแล้วพระองค์ส่งสอนถึงการดําเนินจิตที่ถูกต้องไว้ซึ่งเพียงพอแล้วหากส่งสอนเรื่องปรามัตดมากเกินไป